ไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะเลือกเขาใครๆก็รู้ดีไอคอนเนี้ยมันเป็นยังไงใครๆก็รู้ดีว่ามันลายใจเธอทำยังงั้นลงไป เธอทำอยังนั้นลงไปจะอายไหมหน้าตาก็ดีดีแต่มันสมองทำด้วยอะไรหน้าตาก็วยดีโงชามาเลยจะเอาใครก็เอาเลือกดีดีสักคนแต่ถ้าเป็นคนนี้ขอคานด้วยคนหน้าตาเธอก็ดีเลือกดีๆและกัน มีเยอยอไปไ่น่าใจร้อนคกดวนอัดสินใจไป่น่าใจร้อนคบดวนดีไหมไม่ได้อิจ้ามันเปืี่อนเธอแล้วด้วยความจริงใจ ปล่อยไปช่างหัวมันเริ่มชีวิตใหม่จะเอาใครก็เอาเลือกดีดีสักคนแต่ถ้าเป็นคนนี้ก็การดีคนหน้าตาเธอก็ดีเลือกดีๆและกันคนที่ดีกว่ฉัน เป็นคนนี้ขอคานดีคนหน้าตาเธอก็ดีเลือดดีดีละกันคนที่ดีกว่าฉันก็มีเยอะแยะไปจะเอาใครก็เอาเลือดดีดีสักคนแต่ถ้าเป็นคนนี้ขอคานดิคนหน้าตาเธอก็ดีเลือดดีดีละกันคนที่ดีกว่าฉันก็มีเยอะแยะ h a n Markup.